เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนฟังเนื้อหาหลักจากหนังสือขอนำประวัติโดยย่อของสมเด็จพระพุทธจารย์โตมาให้ฟังก่อนนี้เบื้องต้นดังนี้สมเด็จพระพุทธจ า, ารย์โตโรมารังสีนามเดิมโตหรือนามที่นิยมเรียกสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระคังเป็นพระภิกษุมหานิกายเป็นพระมหาเทระรูปสาคัญ ที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยที่มีชีวิตอยู่ในสมณเพศถึงหแผ่นดินคือตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่หและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจากบทสวด ซ, ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากคือพระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรเมรงังศีนับเป็นพระเกจิเทราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัดน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยาวัดด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณค่าด้านวิชาคถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจพาขีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทย ด้วยปฏิปทาจริยาวัรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทราจารรูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบันสมเด็จพระพุทธาจารย์เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้วเจ็ดปีแนะบ้านไก่ชน หรือบ้านท่าหลวงอเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาข้อมูลอ้างยิงจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขามารดาบิดาของท่านเป็นใครไม่ทราบแน่ชัดมีผู้กล่าวประวัติของท่านในส่วนนี้แตกต่างกันไปหลายฉบับเช่นฉบับของพระยาทิพโกษากล่าวว่ามารดาของท่านชื่อนางงุศบุตรของนายผลกับนางลาชาวเมืองกำแพงเพชร รือฉบบของพระครูกัลยาณานุกูลเฮงอิทาจารโกล่าวว่ามาดาของท่านชื่อเกตคนท่าอิดอำเภอโพอยังไรก็ดีทุกแหล่งอ้างยิงกล่าวตรงกันว่ามารดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือแต่ได้ลงมาทามาหากินแถบภาคกลางในช่วงหลังคำว่าเมืองเหนือในที่นี้หมายถึงคำเรียกของชาวเมืองเหนือในสมัยอยุธยา จนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งหมายถึงเมืองสุขโขไทยพิสุนุโลกพิชัยหรืออุต ร, รดิตพิจิตกำแพงเพชรอันเป็นกลุ่มหัวเมืองเหนือในสมัยอยุธยาหรือบ้านเมืองที่เคยอยู่ในเขตแคว้นของสุโคไทยแต่เดิมสำหรับบีดาของท่านนั้นฉบับของพระยาทิพระโรสษากล่าวว่าท่านเป็นโอรสนอกสเสวยตรฉัดของรัชกาลที่หนึ่ง ครั้งทรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าพระยาจักรีส่วนฉบับของพระกูกลยานานุกูลและฉบับของตรียมปวายกล่าวว่าท่นเป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลาไลรัชการที่สองเมื่อถึงวัยพอสมควรแล้วได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพุทธศักราชสองพสาสิบสาต่อมาปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งโปรดและเมตตาส ม, มนเนนโตเป็นอย่างยิ่งรั้นอายุครบอุปสมบทปีพุทธศักราช 2,350 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงอุปสมบทณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามมีสมเด็จพระอริยวงศสยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรเป็นพระอุปชา มีฉายานามในพุทธศาสนาว่าพระมะรังสีแต่คนทั่วไปมักเรียกตามคำไทยว่าพระมะรงังสีเนื่องจากเป็นป ร, ริยนธรรมจึงเรียกว่าพระมหาโตมานับแต่นั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภพาลัยรัชกาลที่สองได้โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้รับพระมหาโตวไว้ในพระบรมราชูปธรรม ท่านมีอุปนิสัยทำสิ่งใดตามความพอใจของตนไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลักและไม่ปรารถนายศักรหรือลาบสกการะใดาๆซึ่งข้อมูลตามประวัติท่านแตกฉานในพระต่ายปิฎกอย่างมากจนเป็นที่ยอมรับของนักปราชในสมัยนั้นรั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าว้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านไม่ยอมรับ จึงคงเป็นพระมหาโตมาตลอดรัชกาลต่อมากล่าวกันว่าพระมหาโตได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆและได้สร้างปูชนียสถานในที่ต่างๆกันเช่นสร้างพระพุทธสายญาติไว้ที่วัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสร้างพระพุทธรูปหลุมพ่อโตวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองเป็นต้น ซึ่งปูชนียสถานทุกแห่งที่ท่านสร้างจะมีขนาดใหญ่โตสมกับชื่อของท่านอยู่เสมอการจะสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่เช่นนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจุนวนมากในการก่อสร้างจึงจะทำได้สาเร็จสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความศรัทธาและบารมีของท่านซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในย่านที่ท่านได้ทุดงผ่านไปอย่างชาัดเจน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งทรงเป็นจอมปราดในทางธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงผนวดอยู่ถึง27ปีก่อนขึ้นครองราชทรงรอบรู้พระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันโดยที่ครั้งทรงผนวดเป็นสามเณรที่วัดมห า, าธาตุนั้นมีสมเด็จพระพุทธาจารโตเป็นพระพี่เลี้ยงและเป็นครูสอนอักขราคอมอีกทั้งเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีกิจพระมหาโตในขณะนั้น ก็รับหน้าที่อธิบายขยายความพระธรรมแทนเป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยสนิทสนมกันแต่นั้นมาในรัชสมัยของรัชกาลที่สนั้นพระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2395พระองค์จึงได้พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระมหาโตเป็นครั้งแรกเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระคังโคศิตาราม ขณะนั้นท่านอายุ65ปีโดยปกติแล้วพระมหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุดอีกสองปีต่อมาท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่พระเทพกวีหลังจากนั้นอีกสิบปี จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาสมณศักขึ้นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญยบัตรในราชินานามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์มีราชินานามตามจารึกในฮิรัญยบัตรว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์อนเนกสถานปรีชาวิสุทธศิลจัญญาสมบัตินิพพทุตคุณสิริสุนทรพระจาริกรัญยิคนิสร สมณะนิกรมหาปริณายกตรีปิดกโกศนวิมวลศิลขันสถิตนวัต ร, ระคังโคศิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงสมณศักดิ์ดังกล่าวนี้นับเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดและเป็นชั้นสุดท้ายที่ท่านได้รับตราบจนกระทั่งถึงวันมรณภาพคนทั่วไปนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระคัง ส่วนคนในยุคร่วมสมัยกับท่านเรียกท่านว่าครัวโตราวปีพุทธศักราช2410สมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้มาเป็นประธานก่อสร้างอุชนียวัตถุครั้งสุดท้ายที่สำคัญของท่านคือพระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระสีอริยเมตรัยที่วัดอินทราวิหารซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางคุณพรมใน ทว่าการก่อสร้างก็ยังไม่ทันสำเร็จโดยขณะนั้นก่อองค์พระได้ถึงเพียงระดับพระนาภีคือสะดือสมเด็จพระพุทธาจยา์ก็ได้มรณาภาพบนสาลาเก่าวัดบางกุนพรมในณวันเาสาร์2ค่ำเดือน8ปีวอกเวลาเที่ยงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 สุริรมอายุได้8ปปีอยู่ในสมณเพศ64พรรษาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดระฆังโคศิตารามได้ยี่สิปีในส่วนของคำสอนของท่านนั้นสมเด็จพระพุทธอาจารโตพระมรังศีเป็นพระเกจิเทราจาจารที่เป็นที่เคารพนับถือนอกจากด้านคถาอาคมแล้วท่านยังได้ดำรงตนเป็นผู้สมถะ มักน้อยสันโดษไม่ปรัชนาลาบยศการแสดงออกของท่านตามบันทึกหลักฐานในสมัยหลังมักบันทึกถึงความเป็นพระเทร่าผู้มีเมตตาเดิมโรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไปอย่างไรก็ตามเอกสารที่บันทึกประวัติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไว้เป็นหมวดหมู่ชั้นเก่าสุดคือเอกสารฉบับของมหาอมาตย์พระญาติพรโกษาสอนโลหนัน์ ซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวมโดยหม่อมหลวงพระมหาสว่างเสนีวงศณนะอยุทยาที่รวบรวมขึ้นในปีพุทธศักราชสองพไม่ได้บันทึกคำสอนของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ไว้เป็นหมวดหมู่เพียงแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตต่างกรรมต่างวารากันตามที่ผู้รวบรวมได้บันทึกมาจากปากคา ผู้มีชีวิตร่วมสมัยกับสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพโรหมรังสีเท่านั้นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้ปรากฏมีคำสอนต่างๆซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคำสอนของสมเด็จท่านที่เป็นที่นิยมนับถือกันทั่วไปโดยไม่มีการอ้างญิงที่มาที่แน่ชัดเช่นบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอย๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้ศินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัวและเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าในด้านรูปเหมือนของสมเด็จโตนั้นเนื่องจากท่านเป็นพระมหาเกจิเทราจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือยิ่งนับแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันกู้ศรัทธานในสมเด็จท่านได้ทำการสร้างรูปเหมือนรูปเคารพจำลองของท่านไว้ตามสถานที่ต่างๆมากมาย โดยเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ารูปหล่อสมเด็จตามหลักฐานฉบับของพระครูกรลยา น, านานุกูลเฮงอิทธาจาโรระบุว่ารูปจำลองรูปแรกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตคือรูปหล่อที่ประดิษฐานที่วัดเกตชัยโยวรวิหารในสมัยรัชกาลที่ห้าปั้นหุ่นลงรักปิดทองโดยหลวงวิจิตรเนรุมลพึ่งปฏิมาประกรณ หล่อขึ้นที่วัดระฆังโคศิตารามแต่ได้หล่อเมื่อปีใดไม่ปรากฏแต่สันนิฐานว่าสร้างก่อนปีพุทธศักราช 2,444 ดังความในสำเนาพระราชหัตทะเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าคราเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือดังนี้เวลาเช้าสองโมงออกจากพระพลาเมืองอ่างทองมาจนเวลาห้าโมงเช้าถึงวัดชยโย ได้แวะขึ้นที่วัดในมุกหลังพระอุโบสถ ร, รูปสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีเขาจำได้แต่หนุ่มไปกว่าเมื่อเวลาถึงมรณภาพสักหน่อยหนึ่งอย่างไรก็ดีรูปเคารพท่านที่เป็นที่แพร่หลายคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่สร้างขึ้นและประดิษฐานอยู่ที่วัดระกังโคสิตารามลักษณะนั่งสมาธิ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นไม่นานหลังจากได้สร้างรูปเคารพรูปแรกขึ้นปัจจุบันรูปหล่อสมเด็จโตกองวัดระคังโคสิตตารามยังคงประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหน้าอุโบสถของวัดมีผู้คนเคารพนับถือมากราบไหว้สักการะมากในปัจจุบันในช่วงหลังมีผู้นำรูปถ่ายเมื่อครั้งมีชีวิต ของสมเด็จพระพุทธอาจารโตในท่านับรูปประคำไปจัดสร้างเป็นรูปหล่อและรูปเหมือนเพื่อสักการะบูชาจนเป็นที่แพร่หลายและเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จท่านจนถึงปัจจุบันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โตมากมายเพื่อให้สมชื่อโตของสมเด็จท่านโดยรูปเหมือนสมเด็จโตขนาดใหญ่เช่นที่วิหารสมเด็จโตมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จโตองค์ใหญ่บ า, างเทศนาธรรมวัดโบสถ์ปทุมธานีสมเด็จโตองค์ใหญ่วัดตานเจ็ดยอดประจวบคีรีขันสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวัดสะลงเรือกาญจนบุรีและที่วัดสามัคคีบรรพ์จังหวัดชนบุรีเป็นต้นในด้านพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สมเด็จโตได้สร้างเวนั้นประกอบด้วย พระพุทธสาญาตวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธมหาหมุนีสีมหาราชวัดกุฎีทองพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อโตวัดกลางคลองคอยราชบุรีหลวงพ่อโตพระมหาพุทธพิมพ์วัดชยโยวรวิหารอ่างทองหลวงพ่อโตพระพุทธสีอริยเมตรัยวัดอินทระวิหาร กรุงเทพมหานคร